จตแต่สมุทฐานรูปและกตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอิงอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นขันที่เป็นอภยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตากริยาอิงอาศัยหทัยวัตถุกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลอิงอาศัยหทัยวัตถุกเกิดขึ้น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 ขันสองอิงอาศัยขันสองแล ะ, ะทายวัตถุกเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอิงอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอิงอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นในวงเล็บพึงขยายให้พิสดารเหมือนในปัจจยวาล 1. น, นปัจจยานุโลมสองสังขยาวานสุทธนัาย3เหตุปัจจัยมี17วเจวาระ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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดประกฏกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะปุเรชาตปัจจยัยได้แก่ขันสามเกิดประกฏกับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลขันหนึ่งเกิดประกฏกับขันสามขันสองเกิดประกฏกับขันสองขันเกิดประกฏกับอภัยวัตถุเพราะปุเรชาตปัจจยัย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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดประคลกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะนะอธิปติปั จ, จเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามเกิดประคลกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลละขันสองเกิดประคลกับขันสองนปัจฉาชาตปัจจัอยห้าสิบสาม